บทภาชณีเอกกะมู ล, ลจักโจทย์ภิกษุผู้ต้องอบัตสังฆาธิเศษ406ภิกษุผู้โจทย์ได้เห็นภิกษุต้องอบัตสังฆาธิเศษมีความเห็นอบัตสังฆาทิเศษว่าเป็นอบัตสังฆาธิเศษถ้าโจทย์ภิกษุนั้นด้วยอบัตปาราชิกว่าท่านไม่เป็นสมณะไม่เป็นเชื้อสายสักยบุตรท่านร่วมกุโบสดบวรณาหรือสังฆกรรมไม่ได้แม้อย่างนี้ อธิกรณ์นั้นย่อมเป็นข้ออื่นและเธออ้างเอาเป็นเล่หต้องอบัตสังฆธิเสธทุกๆคำพูดภิกษุผู้โจทย์ได้เห็นภิกษุต้องอบัตสังฆธิเสธแต่มีความเห็นอบัตสังฆธิเสธว่าเป็นอบัติทุลใจถ้าเธอโจวดภพิสูตนั้นด้วยอบัตปาราชิกว่าท่านไม่เป็นสมณะแม้อย่างนี้อธิกรณ์นั้นย่อมเป็นอบัตข้ออื่นและเธออ้างเอาเป็นเล่หต้องอบัตสังฆธิเสธทุกๆคำพูด ภิกษุผู้โจ์ได้เห็นภิกษุต้องอาบัตสังฆธิเศตแต่มีความเห็นอาบัตสังฆทิเสตว่าเป็นอาบัตปาจิตตีถ้าเธอโจย์ภิกษุนั้นด้วยอาบัติปาราชิกว่าท่านไม่เป็นสมณะแม้อย่างนี้อธิกรนั้นย่อมเป็นอาบัติข้ออื่นและเธออ้างเอาเป็นเล่ตต้องอาบัตสังฆธิเสตทุกๆคำพูดภิกษุผู้โจทย์ได้เห็นภิกษุต้องอาบัตสังฆธิเศตแต่มีความเห็นอาบัตสังฆทิเสตว่าเป็นอาบัตปาติเทศนิยะ มีความเห็นอาบัตสังคาทิเศว่าเป็นอาบัตทุกกฏมีความเห็นอาบัตสังคาทิเศว่าเป็นอาบัตทุกภาสิทถ้าเธอโจทย์ภิกษุนั้นด้วยอาบัตปาราชิกว่าท่านไม่เป็นสมณะแม้อย่างนี้อภิกรนั้นย่อมเป็นอาบัตข้ออื่นและเธออ้างเอาเป็นเล่ต้องอาบัตสังคาทิเศวทุกๆคำพูดโจทย์ภิกษุต้องอาบัตทุลใจภิกษุผู้โจทย์ได้เห็นภิกษุต้องอาบัตทุลใจมีความเห็นอาบัตทุลใจว่า เป็นอาบัตทุลใจมีความเห็นอาบัตทุลใจว่าเป็นอาบัตปาจิตตีมีความเห็นอาบัตทุลใจว่าเป็นอาบัตปาติเทศนิยะมีความเห็นอาบัตทุลใจว่าเป็นอาบัตทุกกฏมีความเห็นอาบัตทุลใจว่าเป็นอาบัตทุพภาสิทิมีความเห็นอาบัตทุลใจว่าเป็นอาบัตสังฆาทิเศษถ้าโจทย like mm ์ภิกษุนั้นด้วยอาบัตปาราชิกว่าท <fur Negative sama S 2> ่านไม่เ <sf>. ป็นสมณะแม้อย่างนี้ อธิกรณ์นั้นย่อมเป็นอาบัติข้ออื่นและเธออ้างเอาเป็นเล่ต้องอาบัตสังฆาธิเศษทุกๆคำพูดโจทย์ภิกษุต้องอาบัตปาจปิตตีปาทิเทศนิยะทุกกดทุกภาสิตภิกษุผู้โจทย์ได้เห็นภิกษุต้องอบัตปาจิตตีภิกษุผู้โจทย์ได้เห็นภิกษุต้องอบัตปาทิเทศนิยะภิกษุผู้โจทย์ได้เห็นภิกษุต้องอบัตทุปกดภิกษุผู้โจทย์ได้เห็นภิกษุต้องอ ბ ัตทุกภาสิต มีความเห็นอาบัตทุพพาสิทว่าเป็นอาบัตทุพภาสิทธมีความเห็นอาบัตทุพภาสิทว่าเป็นอาบัตสังฆาธิเศตมีความเห็นอาบัตทุพภาสิทธว่าเป็นอาบัตทุลใจมีความเห็นอาบัตทุพพาสิทว่าเป็นอาบัตปาจิตตีมีความเห็นอาบัตทุพภาสิทว่าเป็นอาบัตปาติเทสนิยะมีความเห็นอาบัตทุพพาสิทว่าเป็นอาบัตทุกข์ถ้าโจทย์พิสูจนนั้นด้วยอาบัตปาราชิก ว่าท่านไม่เป็นสมณะไม่เป็นเชื้อสายสังกยบุตรท่านร่วมบูโบสดประวรนาหรือสังฆกรรมไม่ได้แม้อย่างนี้อธิกรณ์นั้นย่อมเป็นอาบัตข้ออื่นและเธออ้างเอาเป็นเลขต้องอาบัตสังฆาทิเศษทุกๆคำพูดพึ่งร่วมอาบัตแต่ละอย่างให้เป็นมมลแล้วผูกเป็นจักรสั่งให้โจทย์เพีสูบูต้องอาบัตสังฆาธิเศสี่ ภิกษุผ right. ู้โจทย์ได <itor> ้เห็นภิกษุต้องอาบัตสังคาธิเศตมีความเห็นอาบัตสังคาธิเศตว่าเป็นอาบัตสังคาธิเศตถ้าสั่งให้โจทย์ภิกษุนั้นด้วยอาบัติปาราชิกว่าท่านไม่เป็นสมณะแม้อย่างนี้อธิกรณ์นั้นย่อมเป็นอาบัตข้ออื่นและเถออ้างขอเป็นเลสต้องอาบัตสังคาธิเศตทุกๆคำพูดภิกษุผู้โจทย์ได้เห็นภิกษุต้องอาบัตสังคาธิเศตแต่มีความเห็นอาบัตสังคาธิเศตว่าเป็นอาบัตทุลใจ มีความเห็นอาบัตสังคาทิเศว่าเป็นอาบัตปาจิตตีมีความเห็นอาบัตสังคาทิเศว่าเป็นอาบัตปาริเทสนิยะมีความเห็นอาบัตสังคาธิเศว่าเป็นอาบัตทุกกฎมีความเห็นอาบัตสังคาทิเศว่าเป็นอาบัตทุกภาสิทธถ้าสั่งให้โจดภิกษ <Moi, S 2> <pastry> ุน <Jess. S 1> ั้นด้วยอาบัตปาราชิก <avocado> ว่าท่านไม่เป็นสมณะแม้อย่างนี้ภธิกรนั้นย่อมเป็นอาบัตข้ออื่นและเธออ้างโอเปเลต ต้องอาบัตสังคาทิเศษทุกๆคำพูดสั่งให้โจดภิกษุผู้ต้องอาบัตทุลใจภิกษุผู้โจดได้เห็นภิกษุต้องอาบัตทุลใจมีความเห็นอาบัตทุลใจว่าเป็นอาบัตทุลใจมีความเห็นอาบัตทุลใจว่าเป็นอาบัตปาจิตตีมีความเห็นอาบัตทุลใจว่าเป็นอาบัตปาิเทศนิยะมีความเห็นอาบัตทุลใจว่าเป็นอาบัตทุกกฏมีความเห็นอาบัต ทุลใจว่าเป็นอาบัติทุพภาสิทธ์มีความเห็นอาบัตทุลใจว่าเป็นอาบัตสังคาทิเศษถ้าสั่งให้โจดภิกษุนั้นด้วยอาบัตปาราชิกว่าท่านไม่เป็นสมณะแม้อย่างนี้อธิกรย่อมเป็นอาบัตข้ออื่นและเธออ้างเอาเป็นเลขต้องอาบัตสังคาทิเศษทุกคุกคำพูดสั่งให้โจดภิกษุผููต้องอาบัตตาจิีปาริชเทสนิยะทุกกดทุพภาสิท์ ภิกษุผู้โจทย์ได้เห็นภิกษุผู้ต้องอาบ of ัติปาจิตติภิกษุผู้โจทย์ได้เห็นภิกษุผู้ต้องอาบัติปิเทศนิยะภิกษุผู้โจทย์ได้เห็นภิกษุผู้ต้องอาบัติทุกกดภิกษุผู้โจทย์ได้เห็นภิกษุต้องอาบัติทุพภาสิทมีความเห็นอาบัติทุพพาสิทว่าเป็นอาบัติทุพภาสิทมีความเห็นอาบัติทุพภาสิทธว่าเป็นอาบัติสังฆาทิเศษมีความเห็นอาบัติทุพภาสิทว่าเป็นอาบัติทุลใจมีความเห็นอาบัติทุพภาสิทว่าเป็นอาบัตตติปจี มีความเห็นอาบัตทุกภาสิตธว่าเป็นอาบัตปาติเทศนียะมีความเห็นอาบัตทุกภาสิทธว่าเป็นอาบัตทุกกฎถ้าสั่งให้โจดภิกษุนั้นด้วยอาบัตปาราชิกว่าท่านไม่เป็นสมณะไม่เป็นเชื้อสายสากะยะบุตรท่านร่วมอุโบสถประวรณาหรือสังฆกรรมไม่ได้แม้อย่างนี้ปฏิกร น, นั้นย่อมเป็นอาบัตข้ออื่นและถืออ้างเอาเป็นเล่ต้องอาบัตสังฆาธิเศตทุกๆคำพูด